3. ปาจิตติยาทิปัญหาปัญหาว่าด้วยอาบัติปาจิตตีเป็นต้น481พิกษุใช้สอยจีวรที่อธิษฐานแล้วยอมด้วยน้ำยอมแม้กับปะก็ทำแล้วยังต้องอาบัติปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว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 และแม้ผู้อื่นภิกษุนั้นก็ไม่คิดจะฆ่าความขาดย่อมมีแก่พิกษุนั้นผู้ให้สลากเมื่อภิกษุจับต้องอาบัตทุลใจปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วไม่ใช่เสนาสนะป่าที่รู้กันว่าหน้าหวาดระแวงและไม่ใช่สงให้สมมติ ทั้งกถินภิกษุนั้นก็ไม่ได้กรานภิกษุนั้นเก็บจีวรไว้ณที่นั้นเองแล้วไปไกลถึงครึ่งโยตเมื่ อ, อรุ่นขึ้นไม่ต้องอาบัตในเรื่องนั้นนั่นแลปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วอาบัตทั้งมวลที่เกิดทางกายมิใช่เกิดทางวาจามีวัตถุต่างกัน ภิกษุต้องในขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วอาบัติทั้งมวลที่เกิดทางวาจาไม่ใช่เกิดทางกายมีวัตถุต่างกันภิกษุต้องในขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว ไม่มีการเสพเมถุนธรรมในสตรีสามจำพวกบุรุษสามจำพวกคนไม่ประเสริฐสามจำพวกและบัน덕สามจำพวกและไม่มีการเสพเมถุนธรรมในอวัยวะที่ปรากฏแต่มีมูลแห่งการตัดขาดเพราะเมถุนธรรมเป็นปัจจัยปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วภิกษุขอชีวรกับมารดา และไม่ได้น้อมลาบไปเพื่อสงเพราะเหตุไรภิกษุนั้นจึงต้องอาบัติแต่ไม่ต้องอาบัตเพราะบุคคลผู้เป็นญาติปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วผู้กโกรธย่อมให้สงยินดีผู้กโกรธย่อมถูกสงติเตียนก็กรรมที่เป็นเหตุให้สงสรรเสริญผู้กโกรธนั้นชื่ออะไร ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วผู้แช่มชื่นย่อมให้สงยินดีผู้แช่มชื่นยอ่นมนยอมถูกสงติเตียนก็ทำที่เป็นเหตุให้สงติเตียนผู้แช่มชื่นนั้นชื่ออะไรปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษทุนรัตใจปาจิตตี ปาติเทศนยะและทุกกฎในขณะเดียวกันปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วทั้งสองมีอายุครบ20ปีทั้งสองมีพระอุปชารูปเดียวกันมีอาจารย์รูปเดียวกันสวดกรรมวาจาเดียวกันคนหนึ่งเป็นอุปสมบันิคนหนึ่งเป็นอนุปสมบัน ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วผ้าที่ไม่ได้ทำกับปะและไม่ได้ยอมด้วยน้ำยอมภิกษุนุ่งหม่มเดินทางไปตามปรารถนาและภิกษุนั้นไม่ต้องอาบัรทมนั้นพระสุคตทรงแสดงไว้แล้วปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วภิกษุณีไม่ให้ไม่รับ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 หัวข้อประจำเรื่องไม่อยู่ร่วมกันไม่สละบุคคลสิบจำพวกไม่ถูกสงลงอุเขปนียกรรมเข้าถึงธรรมอวัยวะเหนือบริเวณรากขวัญจากนั้นสร้างกุดีด้วยการขอเอาเองสองสิกขาบทไม่พยายามทางกายแต่ต้องอาบัดหนักไม่ทําความชั่วทางกาย แต่ถูกสงนาสนะชอบแล้วไม่เจรจาศิขาบทชนสองคนและชนสี่คนสตรีน้ำมันนิสขีภิกษุก้าวเท้าเดินนุ่งผ้าไม่สวดยติข้าสตรีไม่ใช่มารดาข้าบุรุษไม่ใช่บิดาไม่โจ์โจ์ตัด